ก็เป็นเพียงความหวังอันเลื่อนลอยและคงจะต้องเป็นความหวังอยู่เรื่อยไปตรงข้ามถ้าสามารถทำให้ชีวิตเองล้นล้นแต่ละขณะที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้มีความสุขได้แล้วการพยายามหาความสุขก็ประสบความสำเร็จแล้วทันทีเมื่อได้ปัจจัยแวดล้อมอื่นอํานวยก็มีแต่จะสุขสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปกระบวนการหาความสุขของมนุษย์ ซึ่งมองเห็นได้แม้แต่ช่วงสั้นแต่ละขณะแต่ละขณะก็คือเกิดความอยากขึ้นหรือทำความอยากให้เกิดขึ้นและทำการต่างๆเพื่อสนองความอยากนั้นเมื่อได้สนองทำให้ความอยากสงบระงับลงก็ได้รับความสุขยิ่งเร้าความอยากให้แรงมากก็ต้องสนองระงับแรงขึ้นและได้รับความสุขมากขึ้นความสุขจึงได้แก่การสนองระงับความอยากถามว่า ความอยากคืออะไรไม่ต้องตอบโดยตรงที่ชัดก็คือเมื่อเกิดความอยากขึ้นแล้วจะมีอาการแสดงออกสำคัญสองอย่างคือ 1. ความขาดความพร่องไม่มีสิ่งที่อยากไม่ว่าขาดแคลนจริงหรือความขาดแคลนที่สร้างขึ้นเองและสงความกระสับกระส่ายกระวนกระวายหรือถึงกับทุรนทุรายเพราะถูกเหนี่ยวรั้ง หรือถูกดึงให้ยืดตึงออกไปจากสภาพที่เป็นอยู่ขณะนั้นนั้นทำให้สงบนิ่งอยู่ไม่ได้ต้องดิ้นรนหาทางทำให้ความกรนกระวายนั้นสงบระงับไปเมื่อได้สนองความอยากก็กลับเต็มเป็นปกติและทำให้ความร้อนรนกระวนกระวายสงบลงระงับหมดไปเวลาช่วงนั้นคือการได้รับความสุขแต่ถ้าความอยากไม่ถูกสนองระงับไม่สงบไป ก็เกิดความทุกข์ความขาดแคลนและความกระสับกระส่ายกระวนกระวายนั่นเองเป็นสิ่งบีบคั้นเป็นความทุกข์ยิ่งอยากมากก็ยิ่งพร่องยิ่งกระวนกระวายมากและความทุกข์ก็ยิ่งแรงมากความจริงก็เริ่มทุกข์ตั้งแต่เริ่มอยากนั่นเองเพราะพอเริ่มอยากก็เริ่มกระวนกระวายโด ย, น, ยนัยนี้จึงพูดได้อีกสำนวนหนึ่งว่า การหาความสุขตามปกติของมนุษย์ก็คือการเร้าความทุกข์ขึ้นแล้วหาทางสงบระ ง, งับความทุกข์นั้นลงไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งหรือความสุขก็คือการดับทุกได้นั่นเองยิ่งถูกเร้าให้ทุกแรงเมื่อสนองระ ง, งับก็ยิ่งรู้สึกได้สุขมากตามปกติระยะเวลาที่เริ่มอยากเริ่มพร่องกระวนกระวายมีทุกข์แล้วแต่ยังไม่ได้สนองระ ง, งับจะยาวนานหรือยาวนานมาก ส่วนเวลาที่ได้รับการสนองระงับสงบไปได้มักจะสั้นนิดเดียวชีวิตมนุษย์ที่รัคนด้วยสุขทุกข์จึงมากด้วยทุกข์และต้องเอาความหวังเป็นเครื่องรอเลี้ยงแต่ที่ร้ายแรงก็คือมีความอยากมากมายซึ่งไม่ได้รับการสนองระงับและทั้งไม่มีความหวังว่าจะได้รับการสนองระงับจึงมีแต่ความทุกข์ยาวนานและรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อรอไม่ได้ หรือไม่มีหวังมนุษย์จำนวนมากก็จะดิ้นรนทุกรูปแบบถ้าสนองระ ง, งับทุกไม่ได้ก็ระบายทุกนั้นออกไปทำให้เกิดปัญหาเพิ่มทุกแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นมากยิ่งขึ้นเรื่องไม่จบแค่นั้นเมื่ออยากและดำเนินการให้ได้ตามอยากก็ย่อมถูกขัดถูกแย่งบ้างหรือแรงกว่านั้นเมื่ออยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยาก พออยากก็อาจจะถูกแย่งชีวิตที่อยู่ด้วยความอยากจึงต้องมีความขัดใจโกรธเกลียดแค้นเคืองจนถึงเบียดเบียนทําร้ายกันความทุกข์ความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆที่เกิดจากความโกรธเกลียดทําร้ายกันนั้นก็ควบคู่หรือตามมาด้วยยิ่งอยากมากอยากบ่อยความขัดใจและความทุกข์ก็ยิ่งมากยิ่งบ่อยคําว่าอยากในกรณีนี้อยากด้วยตัณหา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 ว่างจากกิจกรรมสนองความอยากหรือไม่รู้จะอยากอะไรก็จะมีแต่ความเบื่อหน่ายงอยเหงาซึมและเสงชีวิตกลายเป็นภาวะที่ทนไม่ได้ไร้ความหมายเป็นความทุกข์อีกแบบหนึง่งแต่เป็นความทุกข์ที่ไม่มีรสชาติอาจจะแย่ยิ่งกว่าความทุกข์แบบกระวนกระวายเมื่ อ, อยังไม่ได้สนองรังบความอยากซะอีกเมื่อมนุษย์ยึดเอาความอยากและสิ่งปนเปล่ความอยาก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 อยู่ในอดีตบ้างอยู่ในอนาคตบ้างผู้มีส ต, ติตามทันปัจจุบันหรือมีชีวิตอยู่ในขณะปัจจุบันชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงอย่างนี้เมื่อมีชีวิตอยู่เต็มที่ในขณะนั้นๆก็ไม่มีความขาดความพร่องและไม่มีความเครียดกระวนกระวายที่เกิดจากถูกความอยากเหนียวหรือดึงให้เป็นเหมือนอยางที่ยืดออกไปผู้มีส ต, ติอยู่อย่างนี้ รับรู้และเสวยอารมณ์แต่ละขณะอย่างเต็มบริบูรณ์เสร็จสิ้นไปทีเดียวจึงมีความสุขเต็มอิ่มอยู่ในตัวทันทีทุกๆขณะไม่ต้องอาศัยความสุขชนิดที่เกิดจากการสนองระ ง, งับความอยากดับทุกไปได้คราวหนึ่งคราวหนึ่งคือไม่มีความทุกเกิดขึ้นที่จะต้องคอยตามดับจึงเรียกง่ายๆว่าความเป็นอยู่อย่างไรทุก ซึ่งหมายถึงการมีความสุขบริบูรณ์อยู่ในตัวแล้วตลอดเวลานี้คือการเปลีป่ยนจากความเป็นอยู่อย่างมีความทุกข <BAR> ์เป็นพื้นฐานมาเป็นความเป็นอยู่อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานหรือมีความไร้ทุกข์เป็นพื้นฐานผู้ที่มีความไร้ทุกข์หรือความสุขอย่างนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตแล้วเมื่อต้องการเสวยความสุขอย่างใดๆที่อยู่ในวิสัยของตอน ก็เสวยความสุขนั้นๆอย่างได้รับความสุขเต็มที่ถ้ายัางเป็นผู้หาความสุขจากความอยากอยู่บ้างแม้ในเวลาที่ไม่มีสิ่งสนองความอยากหรือไม่อาจสนองความอยากก็ไม่ประสบปัญหาเพราะมีความสุขแบบไร้ทุกนี้ยืนพื้นเป็นหลักประกันอยู่นอกจากนั้นด้วยเหตุที่ไม่มีเงื่อนปมแห่งทุกเป็นปัญหาขัดทวงเหนี่ยวรั้งอยู่ภายในเขาจึงเป็นผู้พร้อมที่จะทากิจ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 ไม่ใช่เป็นเพียงการกำจัดทุกขที่เกิดขึ้นแล้วทั้งนี้รับกันกับบันทึกที่5ของบทที่4ว่าด้วยปัญหาการแปลคาว่านิโรธซึ่งแสดงให้เห็นว่าความหมายของนิโรธตามที่ว่าในคำพีแต่เดิมคือการไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่ดับทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้ว บทที่สิ